แกะและหมาป่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแกะจอมซนอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบสร้างปัญหาได้ทุกวันอ้วตายแล้วโครนเดบตัวฉันเลยแถมยังเหม็นด้วยแม่ต้องไม่ชอบแน่แน่ทันใดนะ แม่เองก็มาเห็นผลดีและมองลูกแกะด้วยความโกรธลูกไม่เคยฟังแม่เลยใช่ไหมแม่บอกว่าไม่ให้กระโดดสูงไงแต่ลูกบอกแม่แล้วว่ามันสนุกแม่ก็ไม่ฟังลูกเหมือนกันแม่แกะอดที่จะขำและกอดลูกแกะไม่ได้มาเร็วเข้าไปทำความสะอาดกันนะแม่ส่วนมาก รักลูกของตัวเองมากแม่จึงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกแม่แกมักจะเตือนลูกแกลูกนะต้องระวังตัวด้วยไม่เข้าไปในป่าสัตว์ดุร้ายนะั่อยู่ที่นั่นพวกมันอาจจะทำอันตรายลูกหรือไม่ก็กินลูกโอ้แม่เป็นห่วงมากเกินไปแต่ลูกแกจอมสนก็ไม่เคยฟังลูกแกเข้าไปเล่นในป่าบางครั้งและเล่นอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน ลูกแกะเล่นอยู่ในป่าจนเมือ่อวันหนึ่งลูกแกะเข้าไปในป่าลึกและที่นั่นเองลูกแกะก็ได้เห็นกับน้ำตกอ้าห้าน้ำตกช่างเป็นเวลาที่เหมาะจริงๆฉันหิวน้ำพอดีเลยลูกแกะดื่มน้ำเพื่อดับกระหายในขณะที่ลูกแกะดื่มน้ำจากน้ำตกอยู่นั้นก็มีหมาป่ามองออกมาจากด้านหลังต้นไม้ ว้าลูกแกะน่าอร่อยวันนี้เป็นวันโชคดีของฉันจริงๆด้วยความคิดอันชั่วร้ายของหมาป่าหมาป่าค่อยๆเข้าหาลูกแกะลูกแกะไม่ทันได้ระวังตัวมันยังคงดื่มน้ำต่อไปและไม่มีสัตว์อื่นในละแวกนั้นที่จะสามารถช่วยลูกแกะจากหมาป่าได้นายรู้ไหมว่าบ่านี้เป็นของสัตว์ดุร้ายอย่างฉัน แล้วทำไมนายถึงเข้ามาเดื่มน้ำที่น้ำตกนี่ลูกแกะจ้องหมาป่าที่อยู่ตรงหน้าเขารู้ทันทีว่าหมาป่าเป็นสัตว์ที่อันตรายอย่างมากแม่ฉันเตือนแล้วเกี่ยวกับหมาป่าฉันแน่ใจว่าหมาป่านี้ต้องอยากกินฉันเป็นอาหารกลางวันแน่นแน่หมาป่าตัวนี้ดุร้ายฉันต้องหลบไปจากสัตว์ตัวนี้เมื่อที่มีโอกาส โอ้ฉันขอโทษนะหมาป่าผู้สูงสัก์ฉันเป็นแค่พิงลูกแกะที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วนายทำให้น้ำสกรปรกฉันจะกินน้ำที่มีมลพิษนี้ได้ยังไงเ อ, อ่อฉันต้องขอโทษอีกครั้งแต่ว่าคุณจะไม่กระหายน้ำน้ำทางด้านคุณมันยังสะอาดอยู่เอ อ, เ, อ, อเพราะว่าน้ำตก ไหลมาจากทางที่คุณยืนมาถึงที่ผมยืนอยู่ครับหมาป่าแปลกใจที่ได้ยินคำตอบที่แสนฉลาดแต่ว่าหมาป่าก็หาทางที่จะกินลูกแกะให้ได้กล้าเถียงฉันได้ยังไงฉันคิดว่านายคือแกะตัวเดียวกันที่ทำร้ายฉันเมื่อปีก่อนปีก่อนอย่างนั้นเหรอปีก่อนผมยังไม่เกิดเลยลูกแกะ หลัวว่าหมาป่าจะหาข้ออ้างที่จะฆ่าลูกแกะลูกแกะระวังทั้งคำพูดและระวังท่าทางทำให้ทั้งคู่ระวังทั้งคำพูดและระวังท่าทางลูกแกะได้ยินเสียงคนตัดไม้พวกเขากำลังมาที่ที่ลูกแกะและหมาป่ายืนอยู่ลูกแก่ฉลาดและคิดกับตัวเองว่าถ้าฉันหาเรื่องที่จะคุยกับหมาป่าให้นานกว่านี้คนตัดไม้ ก็จะมดถึงแล้วก็ไล่หมาป่าไปเออคุณหมาป่าฉันทําให้น้ําสกรปรกแต่ว่าฉันเออฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณโมโหแต่ว่านายได้ทําไปแล้วโอ้ให้ฉันชดเชยด้วยการเล่าเรื่องให้คุณฟังเถอะเรื่องลหรอเ อ, อเสียเวลาชํมัดแต่ว่าฉันต้องฟังเจ้าแกะเพื่อจะได้เข้าไล่มันฉันไม่มีแรง จะวิ่งตามเจ้าแกะนี้เ อ, อ่อกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนี้ลูกแกะพูดไปสองสามนาทีในขณะที่พูดอยู่นะคนตัดไม้ก็มาถึงพวกเขาเห็นทั้งลูกแกะและหมาป่าอ๋อนั่นหมาป่านี่อ้าแล้วลูกแกะกําลังถูกคคกคามอยู่พวกเขาจับหมาป่า และตีหมาป่าก่อนที่จะปล่อยหมาป่าไปลูกแกะถูกปล่อยอย่างปลอดภัยโอ้ฉันเกือบหนีมาไม่ได้แล้วลูกแกะวิ่งไปหาแม่เขาเล่าให้แม่ฟังในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมาป่าและคนตัดไม้และเขาก็สัญญากับแม่ว่าเขาจะไม่วิ่งเข้าไปในป่าอีกและแม่แกะก็เห็นว่าลูกแกะได้รับบทเรียนแล้ว โอ้ใช่แล้วแม่ผมไม่ควรเข้าไปในที่ที่แปลกๆคนเดียวโดยเฉพาะในที่ที่มีสัตว์ที่แข็งแรงและดุร้ายรอที่จะฆ่าผมอยู่